بسم الله الرحمن الرحيم ت س جيلات ابن خ اب ل ّ ا ب ا ل ا س ل ا م ي ة بالدمام تواصل مع ك أ خ ي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الخامس ويحتوي على س و ر ت ي الأعراف والأنفال ننمبر و الأعراف ب والأعراف نمبر مكيا م ีความยาวถึง206โปรแกรมถือเป็นบทแรกที่ได้เล่าประวัติ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 สองแดนนั้นจนกว่าอัลลอฮฺจะตัดสินพวกเขาด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลีศแลมมีม คำพีฉบับหนึ่งซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้าดังนั้นจงย้ายความกึดจัอเนื่องจากคัมภีนั้นมีอยู่ในหัวอกของพวกเจ้าทั้งนี้พระเจ้าจะได้ใช้คัมภีนั้นตักเตือนผู้คนและเพื่อเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย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 ส่วนน้อยจากพวกเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ละกี่หมู่บ้านแล้วที่เราได้ทำลายมันโดยที่การโลงโทษของเรานั้นได้ไปยังหมู่บ้านในยามค่ำคืนหรือในยามที่พวกเขาพักผ่อนในเวลาบ่าย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 ถ้าจริงพวกเราเป็นผู้อธรรมแน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่ศาสนาพูดถูกส่งไปยังพวกเขาและแน่นอนเราจะถามบรรดาศาสนาพูดทั้งหลายด้วย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 ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะรับความเสบียงและคนใดที่ตราชูของเขาเบา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 ซึ่งบรรดาเค้ื่อนอย่างชีพในแผ่นดินนั้นส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณและถ้าจริงเราได้บังเกิดพวกเจ้า แล้วเราได้ให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างขึ้นแล้วเราได้กล่าวแก่มาลายกะว่าจงคารวะแก่อาดัมเถิดและพวกเขาก็คารวะกันนอกจากอิบลิสเท่านั้นที่มันไม่ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้คารวะแล้วแม้แม้แก่แล้วจะสุดอิบั้วแม่มัลทม้แม้กดอิบะมัลทุวกวะแล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 จงออกไปให้พนแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่ต่ำต้อย ي ي มันกล่าวว่าโปรดขอนันให้แก่ฉันจนถึงวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพ ด, ด้เถิดปรุงตับว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกขันผัน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 และพระองค์ท่านจะไม่พบว่าส่วนมากในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้ครอบคุมพระองค์งกั่วว่าจงออกไปจากสวนนั้นในฐานะผู้ถูกติเตียนและถูกขับไล่ข้าสาบานว่า ผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ปฏิบัติตามเจ้าข้าจะบรรจุทั้งหมดให้เต็มนรกยันนาทั้งจากพวกเจ้าอ้วนและพระองค์ตรัสว่าอ้วนอาดัมเอย๋ย ทั้งเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงอยู่ในสวนสวรรค์นั่นเถิดและจงบริโภคณที่ใดก็ได้ตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นแล้วเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้อาธรรมแต่่วสววาาาาาาลลลมมมมมชยอนนบร وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملقيين أو تكونا من ا น خ ا ل د ي ن รัสเซย์ตอนพรได้กระสิกกระซาบแก่ทั้งสองนั้นเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองเผยสิ่งที่ถูกปิดบังแก่เขาทั้งสองไว้อันได้แก่สิ่งอันผึงละอายของเขาทั้งสองแล้วมันได้กล่าวว่า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 فَلَمَّذَا ا ق َ ا ل ش َّ ج َ ر َ ة َ بَدَتْ لَهُمَا س َ و ء َ ت ُ ه ُ م َ ا و َ ط َ ف ِ ق َ ا ي َ خ ْ ص ِ ف َ ا ن ِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُولَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُبِينٌ แล้วมันก็ทำให้เจ้าทั้งสองนั้นตกอยู่ในสภาพที่มันต้องการด้วยการหลอกลวงทันเมื่อทั้งสองได้ลิมรถต้นไม้นั้นแล้วสิ่งอันพึงละอายของเขาทั้งสองก็เผยให้ประจักษ์แก่เขาทั้งสองและเขาทั้งสองก็เริ่มปกปิดส่วนที่น่าละอายจากใบไม้แห่งสวนสวรรค์นั้นและถ่าผู้บาลของพวกเขาทั้งสองจึงได้เรียกเขาทั้งสองดยกล่าวว่า ข้าไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองเกี่ยวกับต้นไม้นั้นดอกหรือข้าม่ได้กล่าวแก่เจ้าทั้งสองดอกหรือว่าแท้จริงชตอนนั้นเป็นศัตรูอันทัดแจ้งของเจ้าทั้งสองรข้าทั้งสองได้กล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราพวกเราได้อาทารรมแก่ตัวของพวกเราเองและถ้าพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ที่ขาดโปรเนื้อบูเบ่งุ่มลีบ่างุ่มอดู ว, ว, วันลกุมที่ الأرض มุสตัฟรวมตางุอลระองค์ตว่า พวกเจ้าจงลงไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนและในแผ่นดินนั้นมีที่อำนักและสิ่งอํานวยประโยชน์สําหรับพวกเจ้าจนถึงระยะเวลานึงพระองค์ตรัสว่าในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตยอยู่และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะตาย لأجاب الله حدن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وري سؤاتكم وري شا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله علهم يذكرون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 يا بني آدم لا يثننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوء آتيهما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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَمُونَ لما فوقها وكرت َ م س ي ن في ن ا ر ا ن ك พวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราเคยกระทํามาแล้วแล้วลอสก็ทรงใช้ให้พวกเรากระทํามันด้วยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชใช้กระทําสิ่งที่น่ารังเกียจหรอกพวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระ น, นั้นหรือ ทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงชใช้มีความยุติธรรมและพวกเจ้าจงผินใบหน้าของพวกเจ้าให้ตรงทุกๆมัสยิดและจงวิงวอนต่อพระองค์ในฐานะผู้บริสุท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 ละดพวกหนึ่งพระองค์งให้ท่านนำและอีกพวกหนึ่งสมควรแก่พวกเขาแล้วซึ่งการหลงผิดแท้จริงพวกเขาได้ยึดเอาชัยตอนเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์และคิดว่าพวกเขาคือผู้ที่ได้รับทาง น, น ยาบลีอาดัมขดู زين ตุคุมินดคุณลมัสจิบุวควลวชระบุวลาตุสริฟุอินนหูลายูพิบุลมุสริฟินโอ้ลูกหลานอาดัเอ๋ยจงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจ้าณนะทุกมัสซิดและจงกินและจงดื่มแต่จงอย่าฝุ่มเฟือย แท้จริงพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลายัลมันภาพว่ามิซีนัต الل ัลลาฮิลที่อัพรจล عباده و الطيبات من الرزق قُلْ هِيَ ل ِ ل َّ ذ ล ي ن َ آمَنُوا فِي น ل ْ ح َ ي َ ا ة ِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ ن ُ ق َ ص ِّ ن ม ا ل آ ي ا ت ق ْ م ع َ م ُ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าผู้ใดเล่าที่ห้ามเครื่องประดับกายจากอัลลอฮ์พี่พระองค์ได้ทรงให้ออกมาสําหรับพวงบ่าวของพระองค์และบรรดาสิ่งดีๆจากปัจจัยอย่างชีพจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งเหล่านั้นสําหรับผู้ที่ศรัทธาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้สําหรับพวกเขาโดยเฉพาะในวันปรโลกในทํานองนั้นเราจะแจกแจงองค์การต่างๆ هيا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم و ا ل ب غ ي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل له سلطان ا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ش ن غ ل خير محمد. ว่าแท้จริงสิ่งที่พระผู้อวิบาลของฉันทรงห้ามนั้นคือสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยและสิ่งที่เป็นบาปและการข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรมและการที่พวกเจ้าตั้งพากีแกอัลลอฮ์โดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆลงมาในเรื่องนั้นและการที่พวกเจ้ากล่าวให้ร้ายแกอัลล์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ สําหรับทุกประชาชาตินั้นมีกําหนดเวลาหนึ่งทันเมื่อกําหนดเวลาของพวกเขามาแล้วพวกเขาจะขอให้ล่าช้าออกไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้และจะขอให้เร็วไปกว่าก็ไม่ได้ آ إ ي ย่า ي บลีَาดัมอَมม่ ك จะตีนคُมรุสّ ن มมิคุมยั่วُูนย์ علي คุมอ ا ت ย ي ิَั่วศّนย์ علي คุมอาเยติฟันลิถ้าก้าวอัลละห์สละ خوف อื่น م วล่าห์ยิฮ و ลุนอุลุหลานอาดัมปถ้ามีบรรดาศาสนาทูตในหมู่พวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้า โดยเล่าองคการของข้าแก่พวกเจ้าฟังแล้วผู้ใดที่ยำเกรงและปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไม่มีความบาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียจัลล บ, บ, บลและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองคการต่างๆของเรา แล ะ, สะแสดงโอหังต่อองค์การเหล่านั้นชนเหลาวนี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล حتى إذا جاءتهم ر س ُ ل ن ا ي ت و ف ّ و ن ه م قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا َ ل و ا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين และผู้ใดเล่าที่อาจทรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่อุปโลกความเพ็ดให้แก่อัลลอฮ์หรือปฏิเสธบรรดาองค์การของพรุงชนเหล่านี้แหละส่วนของพวกเขาที่ถูกกำหนดไว้นั้นก็จะได้แก่พวกเขาจนกว่าบรรดาทูดของเราจะเอาชีวิตพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาโดยกล่าวว่าไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่าเขาเหล่านั้นได้หายหน้าไปจากเราเสียแล้ว และพวกเขาได้ย <ítulo> <es> anyway, ืนยันแก่พวกเขาเองว่าพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา حتى إذا دارت فيها ج م ي ع ا ق قالت أخرىهم ل ُ و ل ا ه م ربنا قالت أخرىهم ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء أضلوا ن فآتهم ع ذ ا ب ا ب ضعفاً من النار ق ล ل لكل الضعف ولاكن لا تعلمون" องค์ครงรตรัส ว, ว่าพวกเจ้าต้องเข้าไปอยู่ในหมู่ประชาชาติที่ลงลับไปก่อนพวกเจ้าทั้งที่เป็นยินและเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ในไฟนรกนั้นเถิดทุกครั้งที่กลุ่มชนหนึ่งเข้าไปพวกเขาก็สาบแช่งพี่น้องของพวกเขาจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้ไปพบ ก, กันในไฟนรกนั้น ทั้งหมดแล้วกลุ่มหลังสุดของพวกเขาก็กล่าวแก่กลุ่มแรกของพวกเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพวกเหล่านี้แหละที่ทําให้พวกเราหลงผิดดังนั้นโปรดได้ทรงนํามาแก่พวกเขาซึ่งการลงโทษเป็นสองเท่าจากฝ่ายนรกด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะรับสองเท่าแต่เพว่าพวกเจ้าไม่รู้ <S <S ondan. และกลุ่มแรกของพวกเขาได้กล่าวแก่กลุ่มหลังว่าพวกเจ้าไม่มีความดีเด่นใดๆเหนือพวกเรา ดัง น, นั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสกาลลงโทษนึ่งด้วยสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหากันไว้เถิดอินนัลลอฮีนาะครับุบอายาตินาวสตั و ا ร ت ك ب ر و า عنها لا ت ف ت ละ ه ุมอ و ا ب ا ل ส م ا ء แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาโอการต่างๆของเราและได้แสดงโอหังต่อองค์การเหล่านั้น บรรดาประตูแห่งฟ้าฟ้าจะไม่ถูกเปิดให้แก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์นจนกว่าอูจะลอดเข้าไปในรูเข็มได้และในทํานองนั้นแหละเราจะลงโทษผู้ที่กระทาความผิดทั้งหลายละะมจี สำหรับพวกเขานั้นคือนอกจากนารกยานนำและจากเบื้องบนของพวกเขานั้นมีสิ่งครอบคลุมอยู่และในทํานองนั้นแหละเราจะลงโทษผู้อาธรรมทั้งหลาย。 และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นเราจะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำมนักอยู่ในนั้นชั่วนิรันดร์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 และเราได้ถอดออกซึ่งการผูกใจเจ็บที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาคือพวกชาวสวรรค์โดยมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างและพวกเขาได้กล่าวว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอลัลลอฮ์ผู้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราจนได้รับสิ่งนี้และใช่ว่าพวกเราจะได้รับทางนำเพหาไหมหากว่าอาลัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราแน่นอนบรรดาศาสนาทูตแห่งพระผู้อวยพรของเรานั้น ได้นำความจริงมาและพวกเราได้ถูกประทานให้ทราบว่านั่นแหละคือสวนสวรรค์โดยที่พวกเจ้าได้ถูกให้รับมันไว้เป็นมรดกเนื่องวยสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำกัน ถ้าหลวจดสมมาว่าดรับุคุมชักกา่ากาลูน عم ฟะอดดนมอดดนใบน ه มอันล่ะนะทุล้าหิอัลับ ظ าลิมีนแล้ชาวสวรรย์ น, นั้นได้เรียกร้องชานรกว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระพวยบานของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกเจ้าได้พบสิ it, so so i, en, so ่งที่พระผู้อวยบานของพวกเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหมพวกเขากล่าวว่าเป็นความจริงแล้วผู้ที่ประกาศคนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในหมู่พวกเขาว่าขอให้กายสาสแช่งของอัลลอฮ์จงประสบแก่ผู้อธรรมทั้งหลายด้วยถึง คือบรรดาผู้ที่ขัดขวางทางของอัลลอและปราถนาทางนั้นพดเพียวและต่อวันประโลกนั้นพวกเขาปฏิเสธารรมะ และระหว่างพวกเขานั้นมีกำแพงกัน้นและบนกำแพงนั้นมีชายกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขารู้จักพวกนั้นทั้งหมดด้วยเครื่องหมายของพวกเขาและพวกเขาได้เรียกชาวสวรรค์โดยกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พกท่านเถิด โดยที่พวกเขายังไม่ได้เข้า ส, สว่สวรรค์และพวกเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกลาง้าและเมื่อบันดาสายตาของพวกเขาหันไปทางชาวนาุกพวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระผู้บานของเราโปรดอย่าให้พวกเราร่วมอยู่กับกลุ่มผู้อาธรรมเหล่านั้นเลยละบรรดาผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นได้ร้องเรียกชายกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพวกเขารู้จักพวกนั้นด้วยเครื่องหมายของพวกเขาคือชาวนรกโดยกล่าวว่าการสะสมทรัพย์สินเงินทองและการที่พวกเขายโสโอหังนั้นย่อมไม่อำมือประโยชน์แก่พวกเจ้าเลยอออ า, าอุลลลลนนีมระ ชนเหล่านี้ใช่ไหมคือผู้ที่พวกเจ้าได้สาบานไว้ว่าอัลลอฮจะไม่ส่งให้ความเมตตาใดๆได้ประสบแก่พวกเขาพวกเจ้าจงเข้าสวรรค์กันเถิดโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะไม่เสียใจ ر, ة, اء, ลและชาวนารกก็ได้ร้องเรียนชาวสวรรค์้วยกล่าวว่าจงเทน้ำลงมาให้แก่เราด้วยถ หรือไม่ก็สิ่งที่อัลลอ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยอ ย, ย่างชีพแก่พวกเจ้าด้วยเขาเหล่านั้นกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้สิ่งทั้งสองนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย <S <S คือบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขาเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและเป็นของเล่นและทิศความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาดังนั้นวันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้าง ดังที่พวกเขาได้ลืมการทบกับวันของพวกเขานี้และการที่พวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและแท้จริงเราได้นํำคำภีรฉบับหนึ่งมาให้แก่พวกเขาแล้วซึ่งเราได้แจกแจงคัมภีร์นั้นด้วยความรู้ทั้งนี้เพื่อเป็นทางนํา และความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา ฟะล لنا من شفاع فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون เขาเหล่านั้นยม่ได้คอยอะไรนอกจากผลสุดท <lah> ้ายแห่งคัมภีร์นั้นเท่านั้น วันที่ผลสุดท้ายแห่งคำภีรจะมานั้นบรรดาผู้ที่ได้ลืมคมภีร์มาก่อนจะกล่าวว่าแท้จริงบรรดา ศ, าศาสนาธูดแห่งพระผู้อภิบาลของเราได้นำความจริงมาแล้วมีผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเราบ้างไหมซึ่งพวกเขาจะได้ขอความช่วยเหลือให้แก่พวกเราหรือไม่ก็ให้พวกเราถูกนำกลับไปใหม่เพื่อแก้ตัวแล้วพวกเราก็ได้ปฏิบัติอื่นจากที่พวกเราเคยปฏิบัติมาแน่นอน พวกเขาได้ยังความขาดทุนให้แก่พวกตัวของพวกเขาเองและสิ่งที่พวกเขาเคยอุปลโลกขึ้นนั้นได้หายหน้าหายไปจากพวกเขาอินรับบุญุลลอฮฺที่ خ ل ั السماوات و ا ل ิอัยยามิน ي ุมม م ส س ت و ى ع ัล الأرض ثم والشمس والنجوم مسخرات بأمره استوى العرش الليل النهار حثيثا والقبر و على يطلبه ألاله يرش الخلق ر ั้ ب ا ิส الله رب العالمين ัตติ ن ه า ت ู้บานของพวกจ้านั้น คืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในหกวัรแล้วทรงสถิตยอยู่บนบันหลังโปรดทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันอย่างรวดเร็วและทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และบรรดาดวงดาวขึ้นโดยที่ถูกกําหนดให้ทําหน้าที่บริการตามบัญชาของพระองค์พึงรู้เถิดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้น เป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นเอาลอูุส่งมหาบริสุทธิ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอรรววพวกเจ้าจงยิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าในสภาพสำรวมตนและปกปิดแท้จริงพระองค์มไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิด ا. إ และพวกเจ้าจงอยาก่อความเสียหายในแผ่นดินหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วและจงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความยำเกรง และความปรารถนาอันแรงกล้าแท้จริงความไม่ตาของลอร์นั้นใกลแ้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลายลบม สุนนนนนนคนะฮ์ลิบลดม ميت ิน فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون และโปรงนั้นคือผู้ที่ส่งลมลงมาเป็นข่าวดีที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตาของพระองค์จงกระทั่งเมื่อมันได้แบกบเมฆ อันหนักอิ้งไว้เราก็นำมันไปสู่เมืองที่แห้งแลง้งแล้วเราก็ได้น้ำลังลงที่เมืองนั้นแล้วเราได้ผลไม้ทุกชนิดออกมาด้วยน้ำนั้นในทำนองนั้นแหละเราจะให้บรรดาผู้ที่ตายแล้วออกมาหวังว่าพวกเจ้าจะได้ทำาร็จ ดยนเาอและเมืองที่ดีนั้นพืชของมันจะงอกน้ำด้วยอนุมัดโดยพระผู้อวยบานของมันและเมืองที่ไม่ดีนั้นพืชของมันจะไม่ออกนอกจากในสภาพแกรนในธรรนอง น, นั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดาโอกาสทั้งหลายแก่กลุ่มชนที่ขอบคุณ แล้วดัอัสลนาันอลขาม فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم ا ل ي م แถ้าจริงเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาแล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพพระดีต่อ อ, อัลลอ์เถอ ไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการขอรพบสการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์แท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้าบรรดาผู้นำในกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าแท้จริงเราได้เห็นท่านอยู่ในความหลงผิด อัชดแจเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มคนของฉันไม่มีความหลงผิดใดๆอยู่ที่ฉันแต่ทว่าฉันคือศาสนาทูตคนหนึ่งซึ่งมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสามลโลก ล ล, าาลาโดยที่ฉันจะประกาศให้พวกเจ้าทราบเกี่ยวกับสาระแห่งพระผู้อยบานของฉันและฉันจะแนะนำให้พวกเจ้าทราบและฉันรู้จักเอาล้อถึงสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ อวบคมและพวกเจ้าประหลาดใจขณะนั้นนึงการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าโดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้า เพื่อเขาจะได้ตักเตือนพวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ยำเกรและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับความเมตตาและพวกเขาได้ปฏิเสธนัวภ า, ายหลังเราได้ช่วยเขา และบรรดาผู้ที่อยู่กับเขาในเรือให้รอดและเราก็ได้ให้บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำตายแท้จริงพวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนผิวแกรีมูดบอดว่าอีลาอาดินอาขุามฮูดากาลัยขคาวมอาบุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาหิน์อไกรฮูอัฟละตัดทูน และยังกลุ่มชนอาร์ตนั้นเราได้ส่งฮูดซึ่งเป็นญาติพี่น้องของพวกเขาไปโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพพักดีต่อลออ้อเถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสการะ ใ, ใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจาก พ, พวกเจ้าไม่ยงเกรงอกหรือ บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานในกลุ่มชนของพวกเขาได้กล่าวว่าแท้จริงเราได้เห็นท่านอยู่ในความโฉดเขาและแท้จริงเราแน่ใจว่าท่านนั้นเป็นคนหนึ่ง ในหมู่ผู้กล่าวเขียบกาลยาควมไล่สบีสภาหะวัลาคินนี่รสูลมีรับบิอาลมีนเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความโฉดเขาใดๆอยู่ที่ฉันแต่ถ้ว่าฉันคือาศาสนทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อธิบาลแห่งสาขลโลก وبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. โดยที่ฉันจะประกาศให้พวกเจ้าได้ทราบเกี่ยวกับสาระแห่งพระผู้อภิบาลของฉัน،และฉันนั้นเป็นผู้ที่แน <تصفيق> ะนำที่ซื่อตรงแก่พวกเจ้า .أوعجبتم أ ج ا ب ك ذ بكرم من ربكم على رجل منكم ل ي ن ز ِ ر ك م และพวกเจ้าประหลาดใจกระนั้นหรือการที่ได้มีข้อตัดเตือนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอยัางพวกเจ้า โดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเพื่อที่เขาจะได้ตัดเตือนพวกเจ้าและพวกเจ้าจงรำลึกเถิดขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้ที่สืบแทนต่อมาหลังจากกลุ่มชนของนวลและได้ส่งเพิ่มพละกำลังแก่พวกเจ้าในการบังเกิดดานั้นพวกเจ้าพึงรำลึกถึงความกรุณาของอรรถเถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความสนเร็จพวกเขากล่าวว่า <Rece> ท <ive> ี่ท่านมาหาพวกเรานั้นเพื่อเราจะได้เคารพพักดีแด่อวลละเพียงองค์เดียว และละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพพักดีมา ก, กระนั้นหรือจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญากับพวกเรามายัางพวกเราเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะอ้อนะก้ดวะก้าเลี้ยคุณมินรับบิคุมริบิสูวะกับบะอัตุจาดลูนนีทีอัสมาอิสัน เขากล่าวว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้าและความเกลี้ยกล่จากพระผู้อวิบาลนของพวกเจ้า พวกเจ้าจะโต้เถียงฉันเกี่ยวกับชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ตั้งมันขึ้นมาเองกระนั้นหรือโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ท่งประธานหลักฐานใดๆมาสำหรับชื่อเหล่านั้นเลยดังนั้นพวกเจ้าจงรอคอยเอถิดแท้จริงฉันขอร่วมกับพวกเจ้าด้วยในหมู่ผู้ที่รอคอย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 و َ إ ِ ل َ ا ك َ م و د َ أ خ َ ا ه ُ م ص َ ا ل ح ا قَالَ ي ا قَوْمِ ع ب د ُ ا ل ل َّ ه م ا ل َ ك ُ م م ِ ن إ ل َ ه غ َ ي ر ُ ه ق َ د ج َ ا ء َ ت ك ُ م ب َ ي ن َ ت ُ م ن ا ل ر َ ب ِّ ك ُ م ه ذ ِ ه ِ نَاقَتُ ا ل ل َّ ه ل َ ك ُ م آ ي َ ة Pie, الله, ลและยังกลุ่มชนสมูทนั้นเราได้ส่งซาเละซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเขาไปโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพพรกดีต่อล่เอเถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสตาระใดๆ สำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระอแน่นอนได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อวยบานมาอย่างพวกเจ้าแล้วนี่คืออูดตัวเมียของอวรสโดยเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปล่อยมันหากินในแผ่นดินของอวรสเถิดและจงอย่าแตะต้องมันโดยการทำร้ายใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้การลงโทษอันเจ็บแสบประสบกับพวกเจ้า و َ ذ َ ك ُ ر ُ و ه إِذْ ج َ ع َ ل َ ك ُ م ْ فُلَفَانًا ِ ل ْ ب َ ع ْ د ِ ع َ ا د ُ و َ ب َ و َّ أ َ ك ُ م ْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا ق ُ ص ُ و ر ً ا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا ق ُ ص ُ و ر ً ا وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُلُوتًا และพวกเจ้าจงดําลึกเถิขดขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบช่วงแผนต่อมาหลังจากชาวอารและทรงได้ให้พวกเจ้าตั้งหลักแหลงอยู่ในแผ่นดินส่วนนั้นโดยเอาจากที่ราบของมันเป็นวังและส ก, กัดภูเขาเป็นบ้านพวกเจ้าพึงดําลึกถึงความเมตตาอั ล, ลอร์ดเถิด และจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลายอ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 บรรดาผู้ที่สแสดงโอหังกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าศรัทธา่กันนั้นับบ้นัาา้นั้นَ้นั้นัَนั้นั้นั้นั้นั م นั้นั้นั้นั้นั้นันั้นั้นั้นันั และพวกเขาก็ตัดขาอูดตัวเมียตัวนั้นและได้ละเมิดคำสั่งแห่งพระผู้บานของพวกเขาและได้กล่าวว่าโอล้ลาเลจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญาแก่พวกเราไว้มาให้แก่พวกเราเถิดถ้าหากท่านอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกส่งมาเป็นศาสนาทูตจิ ف ف แลวความไหวอย่างแรงของแผ่นดินก็ได้ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเองแต่ก็ว่าเล่า عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم و ل ك ا تحبون النصيحين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 ถ้าจริงพวกเขาเป็นพวกที่สะอาดบริสุทธิ์แ้าเราได้ช่วยเขาและครอบครัวของเขาให้รอดพน้นนอกจากพัญญาของเขาเท่านั้นซึ่งนางปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ที่คงมูแนะเราได้เห็นหน้าตาและดูว่าจะเป็นอยลมุจร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 นั่นแหละเป็นสิ่งดียิง่งแก่พวกเจ้าหาคพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา อและพวกเจ้าจงหย่านั่งตามทางโดยทําการผูกและสะกัดกั้นผู้ศรัทธาให้ออกจากหนทางของอัลลอฮ์และพวกเจ้ายัางปรารถนาที่จะแหกหนทางของอัลลอฮ์พดเคียวและจงลึกถึงขณะที่พวกเจ้ามีจํานวัน้อยแล้วพระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีจํารวัมากขึ้น และพวกเจ้าจงพิจารณาดูเถอดว่าบ้านปลายสองผู้ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไร。วาาอออออิินนตุุุมมูบบบลล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 โดยที่ปรุงนั้นคือผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ชี้ขาดตั้งหลายข้าว่าแล้ว ل ู้ที่ละสักการะมิกลุ่มหนีแล้วขึ้นรินนักยาช่วยบุ๋วผู้ทีน่ามรุมาค์นกรีนน่าอุลเถาดุนน์ฟิบิลลนา่าวคน า, าคารี บรรดาผู้นําที่โอหังจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าแน่นอนเราจะขับไล่ท่านโอ้ชัยและบรรดาผู้ที่ศรัท ธ, ธาต่อท่านออกไปจากตกะบนของเราหรือไม่ก็ท่านจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในสิทธิของเราเขากล่าวว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบกระนั้นหรือ قد استرنا على الله كربا ا ن م ع د ن ا في من َ ل ت ي كن بعد إذ نجى الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أيشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء إلا م ا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 และบรรดาผู้นำที่ปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตามชุอิบแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ขาดทุนในทันที فأخذتهم فأصبحوا في دارهم الرج جاثمين แล้วความไหวอย่างรุนแรงของแผ่นดินก็ได้ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเอง。ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ش ع ي ب ا ً ك أ ن ل م ي غ ن و ا ف ي ه ا ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ش ع ي ب ا ً ك ا ن و ا ه م ا ل خ ا س ر ي ن บรรดาผู้ที่ปฏิเสธฉีดและประนึ่งว่าพวกเขามิเคยอยู่ในหมู่บ้านนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธฉีดนั้นพวกเขาเป็นพวกที่ขาดาลุมและเขาก็หันออกไปจากพวกเขาและกล่าวว่า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 إ أ และเราไม่ได้ส่งสาศาสดาคนใดไปในเมืองใด น, นอกจากเราได้ลงโทษชาวเมืองนั้นด้วยความแรแรงแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอก น, อน้อม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 ขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่แค่ชาวตำบล น, นั้นปลอดภัยขณะนั้นด้วยจากที่การลงโทษของเราได้มาอย่างพวกเขาในเวลาสายขณะที่พวกเขากาลังเล่นสนุกสนามกันอยู่ และพวกเขาได้ปลอดภัยจากอุบายของอัลลอะ์กระนั้นนึไม่มีใครมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์นอกจากคมชนที่ขาดถึงเท่านั้น。 แล้วก็ยังไม่ได้ประจากแก่ผู้ที่ได้รับแผ่นดินสืบ ท, ทอดหลังจากเจ้าของมันดอกหรือว่าหากเราประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาแล้วเราก็ได้ให้ภัยวิบัติประสบแก่พวกเขาหนึ่ง้วยบาป ก, กรรมของพวกเขาและเราจะประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้หยินด และแล้วดีเจ้าของรุสุลุห์บิ้นเบียนะที่ฟังแล้วจะไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเข ب พูด ا ่อนหน้านี้ดนั้นพระเรากําลังเล่ารหรรด้เจ้าจทราบถนงข่าวคเา่วขา้องมันแต่แท้จริงงนั้นบรรเจ้าง ส, าสนทู่วตของพวกเัาไ่ทรงดนั้นํราหลัสกฐานอันชัดแาจ้งมูกัด่งพวกงด้นพระเขาแล้วั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 และแน่นอนเราได้พบว่าพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิดแล้วหลังจากพวกเขาเราได้ส่งมูสาและสัญญาณต่างๆของเราไปยังฟิรโอลและบรรดาบุคคลชั้นนำของเขา แต่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาเหล่านั้นแต่นั้นเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบรรปลายของบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไรและมูซาได้กล่าวว่าโอ้ฟ oh, ิโรอนแท้จริงฉันคือาศาสนาพุทที่มาจากพระผู้อภิบาล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 รพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นจงมอบวงวานอิสรินไปกับฉันเถิดเพราะคุณะตอาย้าอินคุณะมนนเขากล่าวว่าหากท่านได้นำหลักฐานใดๆมาก็จงนำมันมาเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผู้ดูดจร แล้วเขาได้โยนไม้เท้าของเขาไปแล้วทันใดนั้นมันก็กลายเป็นหมูจริงๆและเขาได้ชักมือของเขาออกแล้วทันใดนั้นมันก็กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์แก่บรรดาผู้ที่มองดู บรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิรโรอนได้กล่าวว่าแท้จริงผู้นี้คือนักมายาคนผู้รอบรู้ร ا أ ขุดการที่จะขับไล่พวกเจ้าออกไปจากแผ่นดินของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจะใช้ ให้ทสิ่งดพ ว, วดกเขากล่าวว่าจงประวิงเวลาแก่เขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนและจงส่งคนไปรวบรวมนักมายาผลในมือต่างๆเอาไว้ เพราะเขาก็จะนำมายัางท่านซึ่งนักมายาคลที่รอบหูและบรรดา น, นักมายาคลก็ได้มายัางฟืรูนโดยกล่าวว่าแน่นอนพวกเราจะต้องได้รางวัลถ้าพวกเราเป็นผู้ชนะ กาาลนพระองค์กล่าวว่าใช่แล้วและแท้จริงนั้นพวกเจ้าจะได้อยู่ในหมูกผู้ที่ใกล้ชิดกับเราข้ารูย่ามูสาอิหม่าอันตุลกยย์อิหม่าอันนักูน์หน์ลมุลกีนพวกเขากล่าวว่าโอ้มูซา ท่านจะโยนก่อนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อนเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงโยนก่อนเถอะคันเมื่อพวกเขาได้โยนออกไปพวกเขาก็ลวงตาผู้คนและทําให้พวกเขากลัว และพวกเขานั้นได้นํามาซึ่งมายากลอันใหญ่วะว่าเอาหนาอิลามูสาอันอัลกิหศาคฟะอิดายะทัลกฟมายะฟิคูนแล้เราได้มีโอค์การแก่มูสาว่าจงโยนไม้เท้าของเจ้าแล้วทันใดนั้นมันก็กลืนสิ่งที่พวกเขาลวงตาไว้ตาวะก่าลฮักวบตลมากานูยอมลูน และความจริงก็ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขากระทำขึ้นก็ตกไปแ ล, นนแล้วที่นู่นล่ะพวกเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้และกลายเป็นผู้ต่ำต้อยไปและบรรดานักมายาคนก็ถูกทำให้ล้มตัวลงกลาบ โดยยอมรับความจริงโดยกล่าวว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วต่อพระผู้อภิบาลแห่งสามกลโลกคือพระผู้อภิบาลของมูสาและฮารุ อินน่าดาลเมตุรุเมตุรุโมห์ฟดีเุ خرج ุมินฮาอิหละฟาซู تعلمون พระองค์กล่าวว่าพวกเจ้าสัมภาต่อเขาก่อนที่ข้าจะอนุ ม, มัติแก่พวกเจ้ากระนั้นด้วยแท้จริงนี่คืออุบายหนึ่งที่พวกเจ้าได้วางแผนมันไว้ในเมืองเพื่อที่จะขับไล่ชาวเมืองให้ออกไปจากเมืองเสียแล้วพวกเจ้าจะได้รู้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 และท่านจะไม่แก้แค้นเรานอกจากว่าเราศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้วบาลของเราเท่านั้นเมื่อมันได้มาอย่างเราโอ้พระผู้วบาลของเราโปรดเทความอดทน ล, ลงมาบนพวกเราได้เถิดและโปรดให้เราตายในฐานะเป็นมุสลิมด้วย وقال الملاءم قوم فرعون أتذرموسا وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك قال سنقتل أ ب ن ا ه م ونستحيسهم وإن فوقهم ق ا ه ر و ن ดับดาบุน้ำจากกลุ่มชนของฟรลิปปน์ได้กล่าวว่าท่านจะปล่อยมูซาและพวกพ้องของเขา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 ม, ยย ม, มูซาได้กล่าวากับกลุมชนของเขาว่าจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอะ์และจงอดทนเถิดแท้จริงพัดธิบนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงให้มันสืบทอดแก่ผู้ที่พระองค์ส่งประสงค์จากวงบ่าของพระองค์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 และแน่นอนเราได้ลงโทษ ว, วงวานของฟิรูนด้วยความแห้งแล้งและการขาดแคลนผลไ ม, ม้ต่างๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับไม่ ف إ ذ ดาจา ت ه م الحسنة قالوا ل า ا هذه و إ ل َน ا ت ُ ص บُ ه ُ م ْ سيئةٌ ัَ ط ِ ي ر ُ ب ِ م ُ س َ ى و ม م َ م َ ع َ ه َ ا أَلا إِنَّمَا ق َ ا แคนเมื่อความดีได้มายัางพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิทธ์ของเราและหากความชั่วใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็ถือเอานบีบูซาเป็นหลางร้ายและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาด้วยพึงรู้เถิดว่าที่จริงลางร้ายของพวกเขานั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ต่างหากแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ แลวพวกเขากล่าวว่าท่านจะนำสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดมายังพวกเราเพื่อที่จะลวงเราให้หลงเชื่อต่อสัญญาณนั้นเราก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่าน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 จงขอต่อพระผู้วิบาลของท่านให้เราตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ที่ท่านเถิดหากท่านได้ปลดเปลี่ยงการลงโทษนั้นให้พ้นจากเราแล้วแน่นอนเราจะศรัทธาต่อท่านและแน่นอนเราจะส่งวงวานอิสริยินไปกับท่าน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 เนื altung, ่องโดยพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจต่อสัญญาต่างๆเราัล้ว และเราได้เป็นมรดกแก่กลุ่มชนที่เคยอ่อนแอซึ่งทางริศตะวันออกของแผ่นดินและทางคิศตะวันตกของมันอันเป็นแผ่นดินที่เราได้มีความจำเริญ น, นั้นและใต้คำแห่งพระพิบาลของเจ้าอันสวยงามยิ่งนั้นครบถ้วนแล้วแก้วงวานอิสราเอล เนื่องจากการที่พวกเขามีความอดทนและเราได้ทำลายสิ่งที่ฟิลิโอนและพวกพ้องของเขาได้กระทำไว้และสิ่งที่พวกเขาได้ก่อสร้างไว้ววอ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 จะถูกทำลายและสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็ไร้ผลเขากล่าวว่าอื่นจากฮะลกกรา น, นั้นืองที่ฉันจะสแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เคารพสการะให้แก่พูกเจ้าทั้งท้งที่พระองค์ได้ส่งเทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติ ในสาลลและจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิลู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 และเราได้สัญญาณแก่มูซา30คืนและเราได้มันครบอีก10ดังนั้นกำหนดเวลาแห่งพระพุยบาลของเขาจึงครบ40คืนและมูซาได้กล่าวแก่ฮารูนพี่ชายของเขาว่าจงทำหน้าที่แทนฉันในกลุ่มชนของฉัน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 فَلَمَّ تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ د َ ك ّ وَخَرَّ مُوسَى ص َ ي ْ ا فَلَمَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ُ ت ُ إلَيْكَ وَأَنَا أ َ و ل الْمُؤْمِنِينَ แต่เมื่อมูสาได้มาตามกำหนดเวลาของเราและพระผู้อภิบาลของเขาเขาได้ตรัสแก่เขาและเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่า โอพระวิบาลของฉันโปรดให้ฉันเห็นด้วยเถิดโดยที่ฉันจะได้มองดูพระองค์พระงตรัสว่าเจ้าเถี่นฆ่าไม่ได้กันนักแต่ ถ, ถ้าว่าเจ้าจงมองดูภูเขานั้นเถิดถ้าหากมันมั่นคงอยู่ณนะที่ของมันเจ้าก็เห็นฆ่าทัานเมื่อพระผู้วิบานของเขาได้ปรากฏที่ภูเขานั้นก็ทําให้มันพลายตัวอย่างราบเรียบและมูสาก็ล้มลงในสภาพที่หมดสติ ครั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาก็กล่าวว่าพระองค์ท่านผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันขอลูก้แก่โทษต่ อ, ตอครูแต่ฉันนั้นคือคนแรกในหมู่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอาลัยมูซาอินลิสทัฟยตุกะละนัสบิริซาลาตีวะบิคัลามีฟะขุดมาอัสยตุกะวะคุมมินัชชาคิรีน พระองครัสว่าอโมสาถ้าจริงค่าได้เลือกเจ้าให้เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายนึ่งด้วยสาระของข่าและด้วยไพ่คำของข่าดงนั้นจนยึดถือสิ่งที่ข่าได้ให้เจ้าและจงอยู่ในหมู่ผู้กตันอยู่รู้คุณว่าจะเป็นอะไรให้ในอัลวะฮิมุลิชัยอมมูอิฎต้วะทักษีลัลลิคุลชัย การดาวได้บันทึกคำตักเตือนทุกสิ่งและแจกแจงทุกอย่างไว้ให้แก่เขาในแพ่นจารึกแต่นั้นเจ้าจงยึดถือมันไว้ด้วยความเข้มแข็งและจงใช้พวกคฟองของเจ้าเถิพวกเขาก็จะยึดสิ่งที่ดีที่สุดของมัน ข้ใจพวกเจ้าได้เห็นที่อยู่ของคนชั่วทั้งหลาย ب ب ي ي ข้าจะให้เหตยบรรดาผู้ถิ่ยโสในแผ่นดินโดยไม่บังควรออกจากบรรดาองค์การของข้าแต่แม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาต่อสัญญาณนั้นและหากพวกเขาเห็นทางแห่งความถูกต้องพวกเขาก็จะไม่ยึดถือมัน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 เป็นผูว่ารรมแล้วเมื่อพวกเขาได้เสียใจต่อการกระทำและได้เห็นว่าพวกเขาได้หลงผิดไปแล้วพวกเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนถ้าหากพระวิ บ, บาลของเรา ไม่ได้เมตตาแก่เราและไม่ได้อาัยโทษให้แก่เราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องตกอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน أعجلتم أمر ربكم و أ ل ق ى الواح أ ل وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال بنم إن القوم استضعفوني و ك ا د و ا يقتلونني فلا ت ش م ت ب ي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. และเมื่อมูซาได้กลับไปยังกลุ่มชนของเขาด้วยความโกรธและเสียใจเขาได้กล่าวว่าช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกเจ้าทําหน้าที่แทนฉันหลังจากฉันไปเข้าเฝ้าเหรอพวกเจ้าด่วนกระทรําไปก่อนคําสั่งของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระนั้นด้วยและเขาได้โยนผันจาลึกลงและจากศีรษะของพี่ชายของเขาโดยดึงมันมายังเขาเขากล่าวว่าโอ้ลูกของแม่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 หลัังจากนน้และเมื่อความเกล่ยโกรัได้สงบลงจากมูซาเขาเก็บบรรดาแผ่นจารึกนั้นไปและในสิ่งที่ถูกจารึกนั้นมีคำแนะนำและความเมตตาต่อบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระผู้อวบานของพวกเขา و ا أ َ خ ت َ ر َ مُوسَى ق َ و م َ ه ُ س َ ب ع ي ن َ ر َ ج ُ ل ا ل ِ م ِ ق ا ن ت ن َ ا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ا ل ج ف َ ة ُ قَالَ رَبِّ لَوْ ش ئ ت َ ه ْ ل َ ك ْ ت َ ه م م ِ ن ق َْ ل ُ و َ إ ِ ي ا ي أ َ ت ُ ه ل ِ ك ُ ن َ ا بِمَا ف َ ع ل َ ا ل س ّ ف َ ه َ ا ء م ِ ن อินฮียอิลล่าฟิตนตุคทุดลล์บิฮะมันทชาวะเตฮดีมันทชาอันวลีย์นาฟกรฟด์ لنا ورحمنا وان تخير الغافرين ละมูซาได้เลือกชายเจ็ดสิบคนจากกลุ่มชนของเขาสำหรับกำหนดเวลาของเรา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 و َ ا ت َ ق ُ لَنَا فِي هَذِهِ ا ل د ُّ ن ْ ي َ ا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا ه ُ د َ ا إ ل َ ي ْ ك قَالَ ع َ ذ َ ا ب ي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أ َ ش َ ء ُ وَرَحْمَةٌ و َ س ِ ع َ ت ٌ ف ُ ي ا ل ش َْ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 และความเมตตาของท่านั้นกว้างขวางทั่วทุกสิ่งซึ่งสิ่งที่ค่าจะกำหนดมันให้แก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงและชำระอากาศและแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของเรา <S <S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 ว ح َ ر หจ م ُ عليهم الخبائث و يضع عنهم إ ْ ر أ ال آ ه, ه, ه, أ ه م والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعن و ر الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون คื ب บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามหลอดูน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 และห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขาออกไปจากพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและให้ความสำคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขาและปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซด้ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ได้รับความสำเยร็จ رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ل ك السماوات والأرض لا إله إلا هو ي ح ي ي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمات ه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 พวกเจ้าจงศรัทธาต่อลอและรอศูญของพระองค์ผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งเขาศรัทธาต่อลอพระรำดบทั้งหลายของพระองค์และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามขาเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำ และจากกลุ่มชนของมูซาจะมีกลุ่มหนึ่งที่ให้คำแนะนำด้วยความจริงและด้วยความจริงนั้นพวกเขามีความเพื่งยง uh ธรรม فبجست من مثنى عشرة عينا قد علم كل أناس مشردهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن و السلوى كل من طيبات ما ز ر ق ض ن ا ك م وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون และเราได้แบ่งพวกเขาออกเป็นสิบสองหลัาคือสิบสองกลุ่มและเราได้ให้องค์การแกมูซาขณะที่กลุ่มชนของเขาได้ขอน้าจากเขาว่ารงตีหินก้อนนั้นด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วตาน้า1สิบสองตาก็พวยพุ่งออกจากก้อนหินนั้นแท้จริงกลุ่มชนแต่ละหล่าย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตน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 َإِذْ قِيلَ لَهُمُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا هَا حَيْتُشِئْتُمْ وَقُولُوا حِقَّتُوا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا َقُولُوا حِقَّتُوا خَطِيْئَاتِكُمْ اسْكُلُوا وَدُخُلُوا الْبَابَ لَكُمْ مِنْ سُجَّدًا سَنَزِيدُ نَغْفِرْ الْمُحْسِنِينَ และมถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงอาศัยอยู่ในเมืองนี้เถอะ และจงบริโภคจากในเมือง น, นั้นณที่ใดก็ได้ที่พวกเจ้าประสงค์และจงกล่าวว่ายึตต่อและจงเข้าประตูไปในสภาพผู้โน้มศีรษะลงด้วยความคาระวะเราก็จะเอาภัยโทษให้แก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนให้แก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ ا ل ْ ق َ ي َ ة ِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ ي َ ع ُْ و ن َ السَّبْتِ إِذْ ت َ أ ْ ت ي ه م ْ حِيتانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ ش ُ ر َّ ع و ا وَيَوْمَ لَا ي َ س ْ ب ت ُ و ن َ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ ن َ ب ُْ و ه ُ م ْ بِمَا كَانُوا ي َ ف ْ س ُ ق ُ و ن َ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 َإِذْ قَالَتْ لِمَتَعِضُونَ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ قَوْمَ أَوْ شَدِيدًا และจงรำลึกขาะที่กลุ่มหนึ่งในพวกเขากล่าวว่าเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงตักเตือนกลุ่มชนที่อลอฮจะส่งเป็นผู้ทำลายพวกเขา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 ท่านเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนเราก็ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ห้ามปรามการทำชั่วให้รอดพ้นและได้จัดการกับบรรดาผู้ที่อารรมเหล่านั้นด้วยการลงโทษอันรุนแรงเนื่องในการที่พวกเขาละเมิด ท่านเมื่อพวกเขาได้ละเมิดสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเราก็ประกาศสิทธิแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงเป็นลิงที่ต่ำต้อยเถิดและอิَต่เจ้าที่รับَระทานให้พวกเขาได้รับกาช่วยเหลือ ب, اب, และจมลำเลึกถึงขณะที่พระผู้อวิบาลของเจ้าได้แจ้งให้ทราบว่าแน่นอนพระองค์จะส่งมาให้มีอำนาจเหนือพวกเขาจนถึงวันกียมะและผู้ซึ่งที่จะบังคับขู่แข็นพวกเขาด้วยการทรมานอันร้ายแรงแท้จริง พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษแต่แท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอมม。ล ال ว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 يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي ي أ ت ِ ه م عرب مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه และได้มีกลุ่มชนที่ชั่วกลุ่มหนึ่งซื่อแทนหลังจากพวกเขาซึ่งได้รับช่วงคำภีเอาไว้โดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้และกล่าวว่ามันจะถูกอภัยให้แก่เราและหากมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเ ย, ยี่ยงเดียวกันนั้นมาอยังพวกเขา พวกเขาก็รับเอามันไว้อีกไม่ได้ถูกเอาแก่พวกเขาดอกหรือซึ่งข้อสัญญาของคำภีที่ว่าพวกเขาจะไม่กล่าวพาดพิงเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากความจริงเท่านั้นและพวกเขาก็ได้ศึกษาสิ่งที่อยู่ในคำภีนั้นแล้วและที่พานักแห่งปรโลกนั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ยังเกรงพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ ลำดับผู้ที่ยึดถือคำพีและปฏิบัติละหมาดนั้นแท้จริงเราจะไม่ให้รางวัลของผู้ปรับปรุงทั้งหลายต้องสูนย์ไป าาจงรับเลือกสิ่งขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นไหวตัวและถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขากระหนึ่งเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มและพวกเขาคิดว่ามันจะตกลงทับพวกเขาพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่ง ที่เราได้ไว้แก่พวกเจ้าอย่างจริงจังเถิดและจรงระลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะยใจจรอิา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 และให้พวกเขายืนยันแก่ตัวของเขาเองโดยตอบคำถามที่ว่าข้าไม่ใช่พระผู้อภิบาลของเจ้าหรือพวกเขากล่าวว่าใช่ครับพวกเราขอยืนยันมิฉะนั้นพวกเจ้าจะกล่าวในวันเกียร์มาว่าแท้จริงพวกเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย หรือไม่พวกเจ้าก็จะกล่าวว่าที่จริงนั้นบรรพบุรุษของพวกเราได้มีภาคีขึ้นมาก่อนและพวกเราเป็นลูกหลานที่มาหลังจากพวกเขาแล้วพรงจะทรงทำลายพวกเรา หนึ่งโดยการกระทาของบรรดาผู้ที่ทำให้เสียหายกระนั้นหรือและในทานองนั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลายเพื่อว่าพวกเขาจะกลับมา เราจึงอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งข่าวของผู้ที่เราได้บรรดาองการของเราแก่เขาแล้วเขาก็ได้ถอนตัวออกจากองการเหล่านั้นแล้วชัยตอนก็ติดตามเขาดังนั้นเขาจึงอยู่ในหมู่ผู้หลงผิด ولو شئنا لرفعناه بها ولكن له أخلد إلى الأرض و ا ت ب ع ه و ا ه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأيات ن ا ลหากเราประสบแล้วแน่นอนเราก็ยกเขาขึ้นด้วยบรรดาองค์การเหล่านั้นแต่ถ้าว่าเขาคงมั่นอยู่กับดินและปฏิบัติตามความใคร่ฝ่ายต่ำของเขาดังนั้นอุปมาของเขาผู้นั้นจึงดังอุปมาของสุนัขหากเจ้าขับไล่มัน มันก็จะหอบลินห้อยหรือถ้าเจ้าปล่อยมันไว้มันก็จะหอบลินห้อยนั่นแหละคืออุ ป, ปมากลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราดังนั้นเจ้าจงเล่าเรื่องราวเหล่านั้นเถิดเพื่อว่าพวกเขาจะได้ใ ค, รควราลิลขวมดีคบอยาน่าวะอัฟสะุคานูยลริมู เป็นตัวอย่างที่ชั่วช้าจริงๆกลุ่มชนที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราแล้วก็ตัวของพวกเขาเองนั่นแหละที่พวกเขาเคยอาธรรมผู ah ah uh id, ah ah um ้ใดที่อรอทรงให้ทางนำเขาก็เป็นผู้รับทางนำนั้นและผู้ใดที่ปรองทรงปล่อยให้หลงทาง <تصفيق> وَلَقَدْ ج َ ر َ ل ْ ن َ ا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أ ذ َ ا ن ٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا เหลอิน่ามลลุอกะแความจริงเราได้ยินและมนุษย์จำนวนมากเป็นเหยื่อสำหรับนรกยันน์นะโดยที่พวกเขามีหัวใจแต่ไม่ใช้มันทำความเข้าใจและพวกเขามีตาแต่ไม่ใช้มันมองและพวกเขามีหูแต่ไม่ใช้มันฟัง ชนเหล่านี้แหละเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานใช่แต่เท่านั้นพวกเขาเป็นผู้หลงผิดยิ่งกว่าชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงผิด และอัลลอ์นั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงามแต่นั้นพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดและจงอย่ายุ่งกับบรรดาผู้ที่ทำให้เพียนกับพระนามของพระองค์เลยพวกนั้นจะถูกลงโทษในสิ่งที่พวกเขากระทำ และส่วนหนึ่งจากผู้ที่เราได้บังเกิดขึ้นนั้นคือกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาแนะนาตัวเองและผู้อื่นด้วยความจริงและพวกเขาปฏิบัติอย่างยุติธรรมด้วยความจริง ي ي รและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นเราจะจัดการกับพวกเขาเป็นขั้นตอน โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ามลีดุมอินนะเคดีมะทีนและค่าจะประวิงเวลาแห่งความตายให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของค่านั้นมั่นคองพิ่อาวลัมยะเฟ็กรูมาบิซาหิบิฮิมมินจินอินหัวอิลลานดีรมมบีน และพวกเขาไม่ได้ใข่ค ร, รวญหรอกหรือว่าที่สหายของพวกเขานั้นหาได้มีความบ้าใดๆ ไ, ไหมเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ที่ตักเตือนที่ชัดแจ้งคนหนึ่งเท่านั้นช และพวกเขาไม่ได้มองดูอำนาจทั้งหลายแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอได้ทรงบังเกิดขึ้นดอกหรือและอาจเป็นไปได้ว่ากำหนดเวลาแห่งความตายของพวกเขานั้นได้ใกล้เข้ามาแล้ว แล้วก็คำพูดใดเล่าที่พวกเขาจะศรัทธากันหลังจากอัลกุรอานผู้ใ ด, ดที่อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้หลงไปแล้วก็ไม่มีผู้แนะนำใดๆอีกสำหรับเขาและพระองค์จะทรงปล่อยให้พวกเขาระเหรอ่ร่อนอยู่ในการละเมิดของพวกเขาต่อไป يسألونك عن الساعة أيان م ر س ا ا قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ف َ ق ُ ل ت ِ ا ل س َّ م َ ا ت َ وَالْأَرْضُ لَا ت َ أ ْ ت ِ ي ك ُ م ْ إلَّا ب َ ع ْ ت َ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ ح َ ف ِ ي عَنْهَا กุลลลอออออิ <im> <population>. ิิ you note, you know <im> question question? ิินนนนนมมาดวครพวกเขาจะถามเจ้าทั้งวันสิ้นโลกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดจงกล่าวเถิดว่าแท้ที่จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้นเวลาของมันไม่มีการจะเผยมันให้ทราบได้นอกจากพระองค์เท่านั้น มันหนักอึ้งอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินมันจะไม่มาถึงพวกเจ้านอกจากโดยกระทัำหันพวกเขาถามเจ้าประกหนึ่งว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เรื่องนั้นดีต้องกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าว่าคนส่วนมากไม่รู้ ق ُ ل ل ا أ م ل ك ل ن ف س ي ن ف ع ا و ل ا ض ر ا إ ل ا م ا ش ا ء ا ل ل ه و ل و ك ن ت أ ع ل م ا ل غ ي ب ل س ت ك ث ر ت م ن ا ل خ ي ر و م ا م س ن ي ا ل س و ء إ ن أ ن ا إ ل ا ن ذ ي ر و ب ش ي ر ل ق و م ي ؤ م ن و ن ต้องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะครอบครองประโยชน์และโทษใดๆไว้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ตัวของฉันได้นอกจากสิ่งที่อัลลอ์ทรงประสงค์เท่านั้นและหากฉันเป็นผู้ที่รู้สิ่งลึกลับแล้วแน่นอนฉันก็ย่อมกอบโกยสิ่งที่ดีๆไว้มากมายและความชั่วร้ายย่อมไม่แตะต้องฉันได้ฉันไม่ใช่ใครอื่น นอกจากเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและข่าวดีของกลุ่มชนที่ศรัทธาเท่านั้น พระองคนั้นคือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตเดียวและได้ทรงให้มีขึ้นจากชีวิตนั้นซึ่งผู้ครองของมันเพื่อชีวิตนั้นจะได้มีความสุขกับนาง คันเมื่อชีวิตนั้นได้มีเพศสัมพันธ์กับนางนางก็ตั้งคันอ่อนๆแล้วนางก็ผ่านมันไปทันเมื่อนางอุ้มคันหนักเขาทั้งสองก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเขาทั้งสองว่าถ้าหากรกองประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้แกเราแล้วแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมดูดผู้ขอบคุณทั้งหลาย ف แล้ว ال เมื่อมาทั้งสอง صالح เจ้าเล่ห์เขาชั่วร้ายใน تعالى الله ع ما يشركون เมื่อรงได้ประานบุตรที่ดีให้เขาทั้งสองเขาทั้งสองสามีัญญาก็มีบรรดาาขีขึ้นแก่พรงในสิ่งที่รงทรงประทานให้แก่เขาทั้งสอง อัลลอฮนั้นทรงสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะให้มีภาคีขึ้ น, นววพวกเขาจะให้สิ่งที่ไม่บังเกิดประโยชน์อันใดมีหุ้นส่วนกับพระองค์ทั้งๆที่พวกมันถูกให้มีขึ้นกระนั้นนึกว่า และพวกมันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขาและไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองได้ด้วย ى ي أن أن และหาพวกเจ้าเชิญชวนพวกเขาไปสู่ทางนำที่ถูกต้อง พวกเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามพวกเจ้าย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะเชิญชวนพวกเขาหรือพวกเจ้าจะนิ่งเฉย อ, อยู่ก็าตามอินนัลลทีละทดูรุมินรูนิลลาฮิอิบาดุลอัมทาดุกุมฟัดรุุมฟัลลิสต์จีบุลกุมอินกุมตุมซัดุลทิแท้จริง บรรดาผู้ที่เจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่เป็นเบาเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองจงวิงวอนขอต่อพวกเขาเถิดแล้วจงให้พวกเขาตอบรับพวกเจ้าด้วยหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริจยยา พวกมันคือเจเวดมีเท้าที่ใช้เดินกระนั้นเนื้อหรือว่าพวกมันมีมือที่ใช้จัดการอย่างรุนแรงหรือว่าพวกมันมีตาที่ใช้มองหรือว่าพวกมันมีหูที่ใช้ฟัง จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อบันดาภาคีของพวกเจ้าเถิดแล้วจงวางอุบายเพื่อกำจัดฉันด้วยแต่ไม่ต้องยืดเวลาให้แก่ฉันเลย อ, อินน์นอ Allah, นัลลย์ย์อ์ยลยดีนย์ย์ย์ย์ย์ย์ะ์ย์ย์ย์ยะย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์์์ และในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงคุ้มครองบรรดาคนดีทั้งหลายและบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นพวกมันไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวของพวกมันเองได้ด้วย และหาพวกเจ้าว ال ิงวอนพวกมันให้ไปสู่ทางนมที่ถูกต้องพวกมันก็จะไม่ได้ยินแต่เจ้าจะเห็นพวกมันมองมายังเจ้าทั้งๆที่พวกมันมองไม่เห็นโผิลาสวาะมุบบิลอฟอ เจ้ามูฮัมมัดจงยึดถือไว้ซึ่งการอภัยและจงใช้ให้กระทำความดีและจงหันเหออกไปจากผู้ชดเขาทั้งหลายเถิดและหากมีการกระซิบกระซาบใดๆจากัยตอนที่กำลังกระซิบกระซาบเจ้าอยู่ ประจงขอความคุ eh, ้มครองต่อล้อเถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อินนัลลาีนักตะโควิดามัสซฮุมต้าอิฟุมมินัลชัยตานทะบคักรู้ทับคัรู้ فإذا ฮุมมุบุซิรุนแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นเมื่อมีคำชี้นำใดๆจากไทรตอนประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็รำลึกได้ แล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็นและพี่น้องของพวกมันนั้นจะช่วยเหลือพวกมันในการทำผิดแล้วพวกเขาจะไม่ลดละและพี่น้องของพวกมันนั้นจะช่วยเหลือพวกมันในการทำผิดแล้พวกเขาจะไม่ลดละ قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ا ر ّ ب ر ر ي هذا بصائر للربكم وهد ورحمة لقوم يؤمنون และเมื่อไม่ได้มีองการได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าฉไนเล่าท่านจึงไม่อุปโลกมันขึ้นเองจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงฉันจะปฏิบัติตามเฉพาะสิ่งที่ถูกให้เป็นองค์การแก่ฉันจากพระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้นนี่คือหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและนี้คือทางนำและความเมตตาแก่กลุมชนที่ศรัทธ<ย>า เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นพวกเจ้าจงสะดับฟังอัลกุรอานนั้นเถิดและจงนิ่งเงียบเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความเมตตา ล, ละเจ้ามูฮัมหมัดจงลำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและยงเกรงโดยไม่ต้องออกเสียงดังทั้งในายามเช้าและยามเย็นและจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้หลงหลอิ น, นั้นแล้วีนั่นเรับก็ไม่ได้กบื้องบนาอบัติ แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ณนะที่พระผู้อวิบาลของเจ้านั้นพวกเขาจะไม่หยิ่งยะโสต่อการคารพสการะพระองค์และจะกล่าวให้ความบริสุทธิ์แก่พระองค์และแด่พระองค์เท่านั้นพวกเขาจะก้มลงกระ